พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2องพระสูตรที่43มหาเวทันละสูตรสูตรว่าด้วยเวทันละคือการโต้อตอบด้วยใช้ความรู้สูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับนเชชะวนารามพระมหากธิตตะไปหาพระสาวรีบุตรถามปัญหาต่างๆซึ่งพระสาวรีบุตรก็ได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้ 1. ความหมายของคำว่าผู้มีปัญญาสามคือผู้ไม่รู้อริยสัจ ส, สีตามเป็นจริง 2. ความหมายของคำว่าผู้มีปัญญาคือผู้รู้อริยสัจ ส, สีตามความเป็นจริง 3. ความหมายของคำว่าวิญญาณคือรู้แจ้งได้แก่รู้แจ้งสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สี่ ปัญญากับวิญญาณปนกันหรือแยกกันตอบว่าเป็นธรรมะปนกันญาี่จะแยกบัญญัติทาให้ต่างกันได้ 5. ปัญญากับวิญญาณปนกันจะต่างกันอย่างไรตอบว่าปัญญากวนเจริญคือทำให้เกิดมีส่วนวิญญาณควรกาหนดรู้หรือปรินเยยะ6 ที่เรียกว่าเวทนาและสวยสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้าง 7. ที่เรียกว่าสัญญาเพราะจำได้เช่นจำสีเขียวเหลืองแดงขาวได้ 8. เวทนาสัญญาวิญญาณปนกันหรือแยกกันตอบว่าเป็นธรรมะปนกันญาที่จะแยกบัญญัติทำให้ต่างกันได้ เพราะเสวยรู้สึกสิ่งใดก็จำสิ่งนั้นได้จำสิ่งใดได้ก็รู้แจ้งสิ่งนั้นจึงแยกบัญญัติทำให้ต่างกันไม่ได้ 9. มโนวิญญาณอันบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับอินทรีย์ห้าคือไม่ปนกับเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายพึงรู้อะไรได้ตอบว่าพึงรู้อากาสานันจายตนะได้ว่า อากาศหาที่สุดไม่ได้พึงรู้วิญญาณัญจายตนะได้ว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้พึงรู้อากินจัญญายตนะได้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีถามว่าบุคคลย่อมรู้ธรรมะที่ควรรู้ได้ด้วยอะไรตอบว่าด้วยปัญญาจักสุดวงตาคือปัญญาถามว่า ปัญญามีอะไรเป็นประโยชน์ตอบว่ามีการรู้ยิ่งการกําหนดรู้การละเป็นประโยชน์สำหรับมโนวิญญาณอันบริสุทธิ์ในที่นี้อัตถกถาแก้ว่าได้แก่จิตในรู ป, ปาวจรจะตุตะถะชาญชาญที่สี่อันท่องเที่ยวในรูปเคยยังมีรูปเป็นอารมณ์สิบ ปัจจัยในการเกิดขึ้นแห่งสมาธิฏฐิมีกี่อย่างตอบว่ามีสองอย่างคือการประกาศของผู้อื่นกับการทำไว้ในใจโดยแยบคายถามว่าสมาธิฏฐิอันองค์ประกอบเท่าไรอนุเคราะห์จึงมีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นผลเป็นอานิสงส์ตอบว่าองค์ห้าคือศีลการสดับฟังการสนทนาสมถะ หรือความสงบระงับและวิปัสสนาคือความเห็นแจ้ง 11. พบมีเท่าไรตอบว่ามีสมคือการมาพบรูปพบอรูปพบถามว่าการเกิดในพบอีกต่อไปนั้นมีได้อย่างไรตอบว่ามีได้เพราะความยินดีในพบนั้นๆของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นนิวรณ หรือเครื่องกั้นมีตันหาเป็นสังโยชน์เครื่องผูกมัดถามว่าการเกิดในภพอีกต่อไปจะไม่มีได้อย่างไรตอบว่าไม่มีได้เพราะคลายอาวิชชาคือความไม่รู้เพราะเกิดวิชาคือความรู้ระดับตันหาเสียได้ 12. บชาญที่หนึ่งเป็นอย่างไรตอบว่า ภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าฌานที่หนึ่งอันมีวิตกคือความตรึกวิจารคือความตรองมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกความสงัดฌานที่หนึ่งมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปิติหรือความอิ่มใจสุขและเอกขตาคือความเป็นผู้มีอารมณ์เป็นหนึ่งฌานที่หนึ่งและองค์ห้า ได้ประกอบด้วยองค์ห้าละองค์ห้าคือละนิวรณ์หประกอบด้วยองค์ห้าคือมีวิตกเป็นต้น 13. อินทรีย์ห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายมีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกันไม่สวยอารมณ์ในที่เที่ยวไปของกันและกันเช่นตาฟังเสียงไม่ได้หูเห็นรูปไม่ได้ อะไรเล่าเป็นที่อาศัยและเป็นตัวสวยอารมณ์ในที่เที่ยวไปของอินรีห้าเหล่านั้นตอบว่าใจหรือมโน14อินรีห้าอาศัยอะไรตั้งอยู่ตอบว่าอาศัยอายุอายุอาศัยอะไรตอบว่าอาศัยไออุ่นไออุ่นอาศัยอะไร ตอบว่าอาศัยอายุอา ย, อ, าย อ, อายุอาศัยอายอุ่นอายอุ่นอาศัยอายุเปรียบเหมือนแสงสว่างอาศัยเปลวไฟจึงปรากฏเปลวไฟอาศัยแสงสว่างจึงปรากฏอายุสังขารคือธรรมะที่ปรุงแต่งคืออายุกับเวทนียธรรมคือธรรมะที่พึงรู้สึกได้เป็นอันเดียวกันหรืออื่นจากกัน ตอบว่าไม่เป็นอันเดียวกันถ้าเป็นอันเดียวกันการออกจากสมบัติของภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทะยิตะนิโรธหรือสมบัติอันดับสัญญาและเวทนาก็ไม่พึงปรากฏแต่เพราะเป็นสิ่งอื่นจากกันจึงปรากฏได้สำหรับข้อนี้อธิถกถฐาแก้ว่าอายุสังขารก็คืออายุนั่นเองส่วนเวทนียธรรมได้แก่เวทนา คือความรู้สึกอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สิบห้าธรรมะกี่อย่างละกายกายจึงนอนเหมือนท่อนไม้ไร้เจตนาตอบว่าธรรมะสามอย่างคืออายุไอุ่นวิญญาณถามว่าคนตายกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทอิตนิโรธต่างกันอย่างไรตอบว่า คนตายสิ่งที่ปรุงกายวาจาจิตดับอายุสิ้นไออุ่นดับในวงเล็บวูปะสันตะเท่ากับสงบระงับและอินทรีย์แตกคือตาหูเป็นต้นใช้การไม่ได้ส่วนภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายตานิโรธสิ่งที่ปรุงกายวาจาจิตดับแต่อายุยังไม่สิ้นไออุ่นยังไม่ดับอินทรียังผ่องใส 16เจโตวิมุตต์คือความหลุดพ้นเพราะสมาธิคือหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจสมาธิปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตตอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนั้นมีกี่อย่างตอบว่ามีสี่อย่างคือเพราะละสุขทางกายทุกข์กายเพราะสุขใจทุกข์ใจดับภิกษุจึงเข้าฌานที่สี่อันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ มีแต่ความบริสุทธิ์แห่งสติอันเกิดจากอุเบกขาถามว่าปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตหรือเครื่องกาหนดหมายมีกี่อย่างตอบว่ามีสองอย่างคือการไม่ใส่ใจนิมิตทั้งปวงและการใส่ใจธาตุอันไม่มีนิมิตถามว่าปัจจัยแห่งการตั้งอยู่ในเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตมีกี่อย่าง ตอบว่ามีสามอย่างคือการไม่ใส่ใจนิมิต ท, ทั้งปวงการใส่ใจธาตุอันไม่มีนิมิตและการปรุงแต่งในการก่อนสำหรับข้อนี้ปุเพอภิสังคาโรน่าจะหมายความว่าตั้งใจไว้ก่อนว่าจะอยู่ในสมาธินั่นนา น, น, านเท่าไหร่ถามต่อไปว่าปัจจัยแห่งการออกจากเจโตวิมุตต์อันไม่มีนิมิตมีกี่อย่าง ตอบว่ามีสองอย่างคือการใส่ใจนิมิตทั้งปวงและการไม่ใส่ใจธาตุที่ไม่มีนิมิต 17. เจตโตวิมุตตอันไม่มีประมาณเจโตวิมุตติอันมีความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เจโตวิมุตตอันมีความศูนย์เป็นอารมณ์และเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตมีอัตถและพยัญชนะต่างกัน หรือเหมือนกันตอบว่ามีปริยายที่ธรรมะเหล่านี้อาศัยแล้วมีอัฏฐะและพยัญชนะต่างกันมีอัฏฐะอันเดียวกันมีพยัญชนะต่างกันคือเจโตวิมุตต์อันไม่มีประมาณได้แก่การที่ภิกษุมีจิตประกอบด้วยพรมวิหารสี่มีเมตตาเป็นต้นอันไม่มีประมาณไม่มีเวรแผไปยังโลกทั้งปวงทุกทิศ เจโตวิมุตต์อันมีความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ได้แก่การที่ภิกษุก้าวล่วงอรูปฌานชื่อวิญญาณัญจายตนะเข้าสู่อรูปฌานชื่ออากินจัญญายตนะเจโตวิมุตต์อันมีความสูญเป็นอารมณ์ได้แก่การที่ภิกษุไปสู่ป่าก็ตามสู่โพนไม้ก็ตามสู่เรือนว่างเปล่าก็ตามพิจารณาว่าสิ่งนี้สูญจากตัวตน หรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยตัวตนเจโตวิมุตตอันไม่มีนิมิตได้แก่การที่ภิกษุเข้าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตหรือเครื่องกาหนดหมายเพราะไม่ใส่ใจนิมิตทัง้งปวงนี้เป็นป ร, ริยายที่ธรรมะเหล่านี้อาศัยแล้วมีอัฏฐะและพยัญชนะต่างกันส่วนป ร, ริยายที่ธรรมะเหล่านี้อาศัยแล้วมีอัฏะอันเดียวกัน มีพยัญชนะต่างกันคือราคะโทสะโมหะชื่อว่าเป็นเครื่องทำให้มีประมาณภิกษุผู้เป็นพระขี่นาศพละราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดแล้วบรรดาเจโตวิมุตติที่ไม่มีประมาณทั้งหลายเจโตวิมุตติที่ไม่กําเริบเป็นยอดเจโตวิมุตติที่ไม่กําเริบนั่นแหละศูนย์คือว่างจากราคะโทสะโมหะ ราคะโทสะโมหะชื่อว่าเป็นกินจนะคือกิเลสเครื่องกังวลภิกษุผู้เป็นพระขี่นาศบและราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดแล้วบรรดาเจโตวิมุตติที่ไม่มีกินจนะทั้งหลายเจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบเป็นยอดเจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบนั่นแหละศูนย์คือว่างจากราคะโทสะโมหะ ราคะโทสะโมหะชื่อว่าเป็นเครื่องกระทําให้มีนิมิตภิกษุผู้เป็นพระขีนาศพและราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดแล้วบรรดาเจโตวิมุตติที่ไม่มีนิมิตทั้งหลายเจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบเป็นยอดเจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบนั่นแหละศูนย์คือว่างจากราคะโทสะโมหะนี้คือปริยาที่ธรรมะเหล่านั้นอาศัยแล้วมีอัถะ เป็นอันเดียวกันมีพยัญชนะต่างกันพระมหากรทิตะก็ชื่นชมพาสิทธิ์ของพระสาวรีบุตรเถระหมายเหตุสูตรนี้เป็นหลักวิชาอย่างสำคัญจึงย่อไว้ค่อนข้างพิสดารในกรณีที่อธิบายวิญญาณว่ารู้แจ้งสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นั้นนับว่าแปลกกว่าที่อื่นซึ่งอธิบายวิญญาณว่า รู้แจ้งอารมณ์ทางตาหูเป็นต้นแต่ถ้าดูในธาตุวิพังคสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่ส4ซึ่งจะกล่าวข้างหน้าก็จะเห็นว่ามีเขาอันเดียวกัน